เป็นสมบัติของมวลมนุษย์เป็นความเจริญก้าวหน้าของอริยธรรมความรู้ที่จัดตามแนวนี้พอจำแนกได้เป็นสามอย่างคือ 1. สุตตะหรือสุติความรู้ที่ได้สดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมาแบ่งย่อยได้เป็นสอง คือความรู้ที่ได้สะดับตรับฟังบอกเล่าสอนเรียนถ่ายทอดต่อกันมาโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าสุตตะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสุตตะเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญมากเมื่อมองในแง่ของพัฒนาการทางปัญญาท่านจัดเข้าเป็นปรตโตโคสะและเน้นปรตโตโคสะที่ดีโดยฐานเป็นปัจจัยแห่งสมาธิ การเรียนการสอนข่าวสารความรู้ประเภทตำรับตำราและตำนานทั้งหลายเป็นสุตตะแม้พระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกก็เป็นสุตต์ทุกสูตรตามปกติขึ้นต้นว่าเอวามเมสุตังสุตตะประเภทที่สองคือความรู้ที่บางศาสนาถือว่า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 ก็มีการแสดงหรือเผยแพร่ความเห็นออกไปมีผู้เชื่อถือหรือยึดถือตามอาจมีการรวมหมู่รวมกลุ่มตลอดจนจัดตั้งเป็นสำนักเป็นต้นทิฏฐินี้มีไวยพ์มากมายหลายคำแต่ที่ใช้มากยิ่งและควรทราบคือขันติข้อที่เห็นเข้ากันได้หลักการที่เห็นสมรุจิ ข้อที่ถูกใจหลักการที่ชื่นชอบและลัทธิข้อที่ได้ไว้หลักการหลักความเชื่อหลักปฏิบัติที่คิดขึ้นได้หรือถือเป็นการได้รับผลรวมทั้งความเชื่อทางศาสนาความรู้จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ข้อที่สาม ญาณความรู้ความอย่างรู้ความรู้บริสุทธิ์ความรู้ตรงตามสภาวะหรือปัญญาที่ทำงานออกผลเป็นเรื่องๆมองเห็นตลอดสายในด้านหนึ่งด้านหนึ่งญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์และเป็นผลสำเร็จสำคัญของมนุษย์ญาณไม่ว่าจะเป็นโลกิยาญาณหรือโลกุตระยญาณ เป็นส่วนผลักดันสำคัญให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอริยธรรมของมนุษยชาติยานที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเรียกชื่อเฉพาะว่าโพธิหรือโพธิยานแปล ก, กันว่าความตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิยานจึงทำให้เกิดพระพุทธศาสนาเป็นดวงตาใหญ่ของโลก นอกจากนี้ยังมีวิธีจําแนกความรู้อย่างอื่นอีกซึ่งอาจถือว่าเป็นวิธีแบตดเตล็ดเอาความรู้ในชุดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้นมาคลุกเคล้าเข้าหมวดกันเช่นแห่งหนึ่งท่านกล่าวไว้สรุปได้เป็นความรู้ต่างชนิดดังนี้หนึ่งอิติหะในวงเล็บบวกอนุสวะอิติกีราปรามป ร, รา ความรู้ที่ได้จากการบอกกล่าวเล่าลือรับฟังเล่าเรียนถ่ายทอดนำสืบกันมา 2. ปิตกะสัมปทาความรู้ตามแบบแผนตำรารา 3. ตักกะนัยะอาการปริวิตก ความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผลคือตักกะอนุมานการตรีตรองตามแนวเหตุผล 4. ทิฏฐินิชานักขันติความรู้ที่พิจารณาเห็นสมกับหรือยอมรับเข้าเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน5 สยมามพิญญาหรือสักขิธรรมความรู้ที่ได้ด้วยรู้แจ้งชัดประจักษ์กับตนเป็นอัตตะประจักษ์ขยายความว่าความรู้ที่ได้เห็นจริงได้รู้จริงได้ช่างเหตุผลได้ตรายตรองได้ทำให้จาชัดปรากฏชัดแล้ว